วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่17เมษายนพุทธศักราช2566ก็เป็นวันสุดท้ายวันหยุดวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดเทศกาลสงการเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลาที่ สำหรับพวกเรานี้ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่ามันเป็นเวลาที่มีค่าอย่างมากมายมหาศาลที่เขาเรียกว่าเวลาทองนาทีทองเพราะเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะ ทำสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์แก่จิตใจของพวกเราได้มากที่สุดเพราะว่าเราได้มาเกิดในยุคที่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะพาให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองซึ่งเวลาแบบนี้นะ่ะโอกาสแบบนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กัน<ม>เพราะว่าการเกิดของพระพุทธศาสนานี้<ม>ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา<ม>นานๆจะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเช่นพระพุทธศาสนาที่พวกเรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสนี่ก็จะมีอายุได้ไม่เกินห้าพันปีนี่ก็ผ่านมาเกินครึ่งหนึ่งแล้วสองพันห้าร้อยหกสิบหกปี แล้วหลังจากนั้นพอเขาผ0าพันปีแล้วศาสนาก็จะไม่มีหรือถ้าจะมีก็เป็นเป็นซากของศาสนาไม่สามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้น เวลาของพวกเหล่านี้ตอนนี้จึงมีคุณค่ามหาศาลเพราะเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะเอามาใช้กับการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองพวกเราไม่รู้หรอกว่าพวกเหล่านี้ได้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ มายาวนานสักเพียงไรเป็นเวลาที่ยาวนานมากอย่างที่เคยแสดงไว้ว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเรามาเกิดแก่เจ็บตายกันนี่กี่ล้านครั้งกี่แสนล้านครั้งท่านก็บอกว่าให้เราเอาน้ําตาที่เราหลั่งกันในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดนี่ มารวบรวมกันเอาไว้ของแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเราเอาน้ำตาที่เราได้หลั่งไวน้นี้มารวบรวมกันมันจะได้มากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจานวนการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเป็นจำนวนที่มากมายและเป็นเวลาที่ยาวนานแสนนานซึ่ง ระหว่างเวลาเหล่านั้นเวลานั้นก็อาจจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นเป็นครั้งคังไปแต่จังหวะที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กับจังหวะที่มีพระพุทธศาสนานี้ก็อาจจะไม่ตรงกันไปทุกครั้งไปบางครั้งเรามาเกิดก็ไม่มีพระพุทธศาสนาในโลกนี้ บางครั้งมีพระพุทธศาสนาในโลกนี้แต่เราก็ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันฉนั้นจังหวะที่เราจะได้มาเกิดพร้อมกับพระพุทธศาสนาในโลกใบเดียวกันนี้จึงเป็นโอกาสที่ยากแสนยากที่จะเกิดขึ้นดังที่เคยเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง มันไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะซื้อลัตเตอรี่แล้วก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งกันโอกาสมันหนึ่งในหลายล้านหนึ่งในล้านถึงจะได้ถูกลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันดังนั้นขอให้เราเห็นคุณค่าของการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะว่ามันเป็นสูตร อันวิเศษสุดสําเร็จสําหรับการที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองถ้าหากเรามาเกิดในยุคนี้สมัยนี้แต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์<ม>เช่นมาเกิดเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัข<ม>ถึงแม้เราจะได้สัมผัสได้อยู่กับวัดกับวา<ม>แต่การเป็นสัตว์เดราัชานี้ จะไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยโอกาสที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานนี้ไม่สามารถศึกษาเข้าอกเข้าใจในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอาจจะได้เพียงที่ได้อยู่ที่ที่ปลอดภัยอยู่ที่มีผู้ที่คอยปกป้องรักษาไม่ให้ถูกฆ่าถูกทำลายไปเท่านั้นเองแต่ก็จะไม่ได้รับประโยชน์ทางด้านจิตใจจิตใจก็ยังจะต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์และต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาถึงจะสามารถที่จะเอาประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้แต่ก็มีบางคนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา แต่กับไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนานี้จะช่วยเขาได้อย่างไรตูงนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับไก่ได้พลอย <S <S นังที่มีนิทานที่เล่าอยู่เรื่อยๆไก่ได้พลอยเป็นอย่างไรธรรมชาติของไก่มันก็จะทำมาหากินด้วยการคุ้ยเขี่ยหาตัวหนอนตัวไส้เดือน เวลาเจอตัวหนอนตัวไส้เดือนมันก็จะรีบจิกรียบกัดริ่มกินกันแต่เวลามันไปเจอเพชรเจอพลอยมันจะเขียยทิง้งเขียทิ้งไปเพราะมันกินไม่ได้เนี่ยมันเขียยทิ้งของที่มีคุณค่าราคาก็เพราะว่ามันไม่เห็นคุณค่ามันไม่รู้คุณค่าราคาของเพชรของพลอยนั่นเองนี่ก็ลักษณะของคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ และได้มาเกิดในเมืองพุทธศาสนาเช่นประเทศเรานี่มีคนเยอะที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่กลับไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนไก่ที่พอเจอของดีมีคุณค่าแต่ไม่รู้คุณค่าก็เลยเขียทิ้งเขี่ยทิ้งไปจะหาแต่สิ่งที่มันกินได้ สิ่งที่คนที่ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่เขาเขากินได้เขาอยากกินก็คือโลกธรรมนี่เองคือลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายตรงนี้เขาจะมุ่งไปที่การหาลาบยศสรสสรเ ส, สริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิด ต, าตา่างๆเขาจะไม่เห็นคุณค่าของการ ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะเขาไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนานี้ทำอะไรให้กับเขาได้เนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่ได้ศึกษาไม่สนใจหรือว่าข้อมูลที่เขาได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี้เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่าง ความเป็นจริงของพระพุทธศาสนาก็ได้เช่นเราอาจจะคิดว่าศาสนานี้เป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่งมงายเพราะนักวิทยาศาสต ร, ร์เขาไม่รับเขาไม่รับรองนั่นเอง นักวิทยาศาสตร์ไม่รับรองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรื่องง ม, มงาย<ม>เรื่องที่ไม่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยนักวิทยาศาสตร์<ม>ก็เลยทำให้เขาไม่เชื่อหรือไม่ให้ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาก็ได้พวกนี้เป็นพวกที่น่าสมเพศเวทนาน่าสงสารซึ่งเป็นเหมือนไก่ที่ได้พลอยดีๆนี่ ไกาที่ไม่เห็นคุณค่าของเพชรของพลอยก็จะเขียดทิ้งเขียดทิ้งจะหาแต่ตัวตัวหนอนตัวไส้เดือนเหมือนกับพวกที่ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาคอยเข้าหาแต่ลาบยศสารเสริญสุขเพียงอย่างเดียวตรงนี้เขาก็จะได้ลาบยศสารเสริญสุกกัน แต่เขาก็ยังจะต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปตายไปแล้วเขาก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้คือเรื่องของคนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่กลับไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา เป็นเหมือนกับไก่ได้พลอยไก่ไม่เห็นคุณค่าของเพชรของพลอยเห็นคุณค่าของตัวหนอนตัวไส้เดื อ, น, อนนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราเป็นอะไรเราเป็นไก่ได้พลอยหรือเปล่าหรือเราไปเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดเป็นวิจฉุชนหรือเปล่าดังในบทธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสว่า ธรรมของพระพุทธเจ้านี้เหมาะกับวินยูชนเหมาะกับคนฉลาดเท่านั้นเหมาะกับคนที่เห็นคุณค่าราคาของพระพุทธศาสนาว่าจะให้อะไรกับตัวเขาได้ mm hmm. ถ้าเราเป็นวินยูชนนี้ mm hmm. เราจะต้องรู้แล้วว่าธรรมะของพระเจ้านี้เป็นคำสอนที่ประเสริฐเลิศโลกเป็นคำสอนชนิดเดียวเท่านั้นในโลกนี้ ที่จะนำพาผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติให้หลุดออกจากกองทุกแข่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีคำสั่งคำสอนใดๆในโลกนี้ไม่ว่าจะสอนอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ไหนก็ตามต่อให้ไปศึกษาในสถาบันศึกษาอันดับหนึ่งของโลกหรืออันดับหนึ่งถึงสิของโลก ก็จะไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในคำสอนเหล่านั้นศึกษาไปจบระดับปริญญาเอกก็ไม่สามารถทำใจให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้แต่ถ้ามาศึกษากับสถาบันของพระพุทธศาสนามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้หลุดพ้นได้ นี่แหละคือความประเสริฐของพระพุทธศาสนาที่วิญยาชนเนี่ยเท่านั้นที่จะเห็นคุณค่าและที่จะเข้าหาพระพุทธศาสนาอย่างชาวต่างชาติที่เขาไม่ได้เกิดในประเทศที่เป็นพุทธศาสนาแต่พอเขาได้ศึกษาได้อ่านพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็รู้ทันทีว่านี่แหละคือ คำสอนอันวิเศษคำสอนที่จะพาให้เขาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ทำให้เขานี่มีศรัทธาภาษาทาที่จะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่ประเทศของเราแล้วก็เข้ามาศึกษาปฏิบัติอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆอยู่ต่างประเทศ เกิในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแต่พอได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาก็รู้ขึ้นมาทันทีว่าเป็นคำสอนคำสั่งคําสอนที่ล้าค่าอย่างยิ่งที่ไม่มีคําสั่งคําสอนอันใดในโลกนี้ที่จะสามารถเทียบเท่าได้ทําให้เขาที่อยู่ในประเทศที่จเจริญทางด้านวิชาความรู้ ทางโลกนี้กลับหันหลังให้กับประเทศของเขาแล้วหันหน้าเข้าสู่ประเทศของเราเข้าสู่ประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประเทศที่มีวงการของนักปฏิบัติธรรมไม่มีประเทศไหนที่จะมีการศึกษาและการปฏิบัติธรรมและการบรรลุธรรมนี้ได้เท่ากับประเทศไทย แล้ว่าประเทศไทยนี้เป็นเหมือนกับเป็นเป็นเมืองทองของนักปฏิบัติก็ได้ไทยต้องการปฏิบัติหลุดพ้นนี้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามนี้จะต้องมาที่ประเทศไทยกัน<ม>ประเทศไทยเรามีวัดป่านานาชาติเป็นที่มาที่พระดาวชาวต่างชาติที่มาจากประเทศต่างๆนี้ ุ่มาศึกษามาปฏิบัติกันแม้แต่ที่วัดยาณเราก็มีมาอยู่เรื่อยๆมีชาวต่างชาติมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันอยู่เรื่อยๆทำไมเขาต้องเดินทางมาไกลแสนไกลทำไมเขาไม่อยู่ที่บ้านเขาที่เป็นประเทศที่เจริญกับเราทางด้านวัตถุมีสถาบันการศึกษาที่ที่มีชื่อมีเสียงแต่กับ เขากลับไม่เห็นคุณค่าของส ถ, สถาบันเหล่านั้นเพราะเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นวิญญูณชนเขารู้ว่าสถาบันการศึกษาที่เขาอยู่ในประเทศเ่านี้ไม่สามารถตอบโจทย์ที่เขาต้องการได้ก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองแต่มีศาสนาพุทธนั้นที่สามารถตอบโจทย์ให้กับเขาได้ แล้วก็มีในประเทศไทยนี้ที่มีครบองค์มีปริยัตมีปฏิบัติมีปฏิเวทของของกระบวนการของพระพุทธศาสนาบางประเทศอาจจะมีพระพุทธศาสนาแต่อาจจะไม่มีปริยัติไม่มีปฏิบัตหรืออาจจะมีปริยัติแต่ไม่มีปฏิบัตหรืออาจจะมีปริยัตมีปฏิบัติแต่ไม่มีปฏิเวท ปฏิเวทคืออะไรก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆนั่นเองบรรลุเป็นพระอริยรบุคคลขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์ในประเทศไทยเหล่านี้มีครบขบวนการมีปริยัติคือมีการศึกษาธรรมะกันจากผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากครูบาอาจารย์ต่างๆที่ ได้ได้การรับรองต่อมาว่าเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเวลาที่ท่านจากโลกจากโลกนี้ไปแล้วกระดูกของท่านบางส่วนก็กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมานี่เป็นการยืนยันว่ามีปฏิเวทมีการบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกในประเทศไทยและก็ไม่ใช่มีเพียงองค์เดียว มีเป็นหลายองค์ด้วยกันโดยเฉพาะสายของพระอาจารย์มั่นหรือลวงปู่มั่นที่เราเขารบกราบไหว้กันบรรดาครูบาอาจารย์ที่ได้ไปศึกษาได้ปฏิบัติจากหลวงปู่มั่นนี้ท่านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจนํานวนมากเพราะหลังจากที่ท่านจากโลกนี้ไปแล้วก็ดูของท่านก็กลายเป็นพระาธาตุกัน มีการสร้างเจวีเจดีบรรจุไว้ตามวัดว่าที่ท่านเคยอยู่กันสร้างเจดีแล้วก็บรรจุพระธาตุเพื่อเป็นการยืนยันให้ชาวโลกได้รู้ว่าที่นี่มีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาที่นี่มีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้บรรลุได้หลุดพ้น จากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะมีในประเทศไทยนั้นเท่านั้นแหละที่เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาศูนย์กลางของของการบรรลุ ธ, ธรรมก็ว่าได้ใครอยากจะบรรลุ ธ, ธรรมนี้มักจะต้องมาที่ประเทศไทยเหมือนกับทางโลกใครอยากจะอยากจะเรียนได้ปริญญาเอกของ ของมหาลัยดีเด่น<ม>ก็ต้องไปตามที่มหาลัยต่างๆ<ม>ของเรานี่มันเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านจิตใจ<ม>ผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัตินี้มักจะได้ปฏิเวทมักจะได้บรรลุธรรมกันได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกัน<ม>และผู้ที่จะได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีเป็นวินยูชนไม่ใช่เป็นไก่ชน<ม><ม>เป็นวินยูชน ถ้าเป็นไก่ชนนี้จะหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนจะไม่หาเพรหาพลอยคือจะจะหาแต่ลาบยศสรรเสิญสุขกันจะไม่เข้าหามรรคผลนิพานกันแต่พวกที่เป็นวิญญวชนนี้เขาจะไม่เข้าหาราบยศสารเสิญสุขเขาอยู่ในประเทศที่ที่เจริญด้วยลาบยศสารเสิญสุขแต่เขากลับมา ที่ประเทศที่ไม่เจริญทางด้านราบยศสารเสริญสุขแต่เจริญด้วยมรรคผล น, ผนิพพานเจริญด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนี่แหละคือเรื่องของการเป็นวินยูชนว่าเกิดมาแล้วได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาหรือไม่ เห็นคุณค่าของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ต้องเห็นคุณค่าทั้งสองส่วนนี้เพราะว่าถ้าถ้ามาเกิดไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็จะไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถที่จะบุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเมืองตายเกิดได้ ดังนั้นต้องเห็นคุณค่าทั้งสองส่วนเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นสถาบันที่ล้ำค่าที่ไม่มีสถาบันในโลกนี้สามารถเทียบเท่าได้แล้วก็การได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นการาเป็นเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดเพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถที่จะศึกษา จากพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้หลุดพ้นจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามลำดับต่อไปนี่คือสิ่งที่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราเป็นวิญยูชนหรือเราเป็นไก่ชนเรายังหาราบยศสรรเสรญสุขกันอยู่หรือว่าเรากำลังหามากผลนิพพานกัน อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเวลาของพวกเรานี้มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆโอกาสทองสำหรับพวกเรานี้มันจะหมดไปทุกวินาทีมันจะหดไปหดไปเรื่อยๆ เ, เหมือนเหมือนต้นเทียนที่เราจุดไว้นี่พอจุดแล้วเนี่ยไฟมันก็จะกินเทียนไปเรื่อยๆทีละน้อยทียน้อย เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วไฟมันก็จะกินเนื้อเทียนจนหมดไปพอเนื้อเทียนหมดแล้วไฟก็จะดับไปชีวิตของเราก็จะเป็นเหมือนต้นเทียนที่จะค่อยๆถูกเวลากลืนไปกินไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าเรายังประมาทนอนใจยังไม่รีบเร่งขวนขวายสิ่งที่ดีที่งามที่พระพุทธศาสนา มอบให้กับพวกเราคือมรรคผลผนิพพานการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะเสียโอกาสไปแล้วเวลาของเรานี้ก็ไม่มีใครรู้แน่นอนว่าจะจบลงเมื่อไหร่พอชีวิตของแต่ละคนนี้มันไม่ได้จบที่อายุเท่ากันบางคนก็จบอายุแปดสิบเก้าสิบแต่บางคนก็จบ น้อยกว่า น, นั้นหกสิบ้างห้าสิบ้างสี่สิบบ้างสามสิบบ้างหรือแม้แต่วันเดียวก็มีบางคนทารกบางคนเกิดมาออกมาจากท้องแม่ได้วันเดียวก็เสียชีวิตไปก็มีเพราะฉะนั้นอย่าประมาทกับความตายความตายนี้มันเป็นของที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ผ่านไปโดยที่ไม่เราไม่ได้ตักตวงเอาคุณประโยชน์จากพระพุทธศาสนาและการที่เราจะสามารถตักตวงคุณประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้นี้ก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราเน่เองอยู่การปฏิบัติที่เรียกว่าสัมมา สัมมาวายาโมคือความเพียรชอบเพราะความเพียรนี้แหละที่จะเป็นผู้ที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เท่านั้นหยังที่มีคำพูดที่พูดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรไม่มีความขยันไม่มีการปฏิบัติจะหลุดไม่ได้ ถึงแม้จะได้ศึกษามากมายขนาดไหนก็ตามธรรมะหรือความรู้ที่เราได้ศึกษานี้ยังไม่พอเพียงต่อการบรรลุไม่พอเพียงต่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการมีน่าตายเกิดต้องมีการปฏิบัติศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติด้วยความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรนี้ขยันอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นความเพียรก็ เพียนทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ยังไม่มีการทําความเพียนก็ช่วงเฉพาะเวลาที่พักผ่อนหลับนอนแต่พอลืมตาขึ้นมาปั๊บนี้ต้องมีการทําความเพียนกันแล้วต้องมีการเจริญสติกันแล้วอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่ามีความเพียนถ้าไม่มีความเพียนเดินขึ้นมาปล่อยให้ใจคิดฟุง้งซ่านปล่อยให้ใจ คิดถึงลาบยศสา ะ, ะเสินสุขปล่อยให้ใจไปหาลาบยศสารเสวนสุขอันนี้เรียกว่าไม่ได้ทำความเพียรอันนี้เป็นการทำลายโอกาสทองทำลายเวลาให้หมดไปโดยไม่ได้คุณไม่ได้ประโยชน์แต่อย่างใดดังนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงกันก็คือว่าเรามีความเพียรกันหรือไม่ เรามีสัมมาวายามโอกันหรือไม่ความเพียรชอบความเพียรชอบนี้ท่านก็แสดงไว้อยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือหนึ่งให้เพียรละบาปอากุศลทั้งหลายที่เรายังทำอยู่ถ้าเรายังทำบาปอยู่เรายังเสพอบายมุขอยู่เราต้องพยายามละให้ได้ละการฆ่าสัตว์ละการารักทรกัพย์ละการประพฤติิประเพณี ละการพูดปลดละการดื่มสุรายาเมาที่เป็นอบายามุขและการเล่นการพ น, นันการเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆและความเกียจคร้านนี่คืออกุสลที่เราไม่ควรจะกระทมที่เราควรละกันละอกุศลถ้าเรายังทำอยู่เราต้องพยายามละมันให้ได้ เรื่องต้นเราก็อาจจะเอาทีละวันก่อนอาทิตย์ละวันก่อนเช่นวันพระนี่จะเป็นวันที่เรามักจะนิยมละบาปกันถือศีลห้ากันไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่เกียจค้านให้มาขยันหมั่นเพียรมารักษาศีลมาสร้างบุญสร้างกุศล นี่คือคุณลักษณะข้อที่หนึ่งของสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบเพียรละบาปอากุศลที่เรายังทําอยู่ให้มันหมดไปให้ได้แล้วก็ข้อที่สองเพียรป้องกันไม่ให้บาปละอกุศลที่เราได้ละแล้วนี้กลับมาอีกถ้าเราได้เลอกทาบาปแล้วก็อย่ากลับไปทําอีก ถ้าเราได้เลิกเสพอบายามุขแล้วเราก็อยากกลับไปเสพอีกอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของตัวเราเองว่าเรายังทําบาปทําอกุศลอยู่หรือไม่เพราะบาปอากุศลนี้มันจะเป็นตัวขวางกัน้นใจของเราไม่ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองมันจะเป็นตัวดูดใจของเราให้ติดอยู่กับกองทุกข์ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามตัดมันให้ได้อย่าให้มันดึงให้เราต้องกลับมาเกิดถ้าเกิดในทุกขติด้วยเกิดในภพที่ไม่ดีเกิดในอบายสีจดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายและเป็นนรก ท, ที่ไปของผู้ที่ยังกระทำกะ ยังกระทำบาปและอกุศลต่างๆคืออบายามุขต่างๆนี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามเพียรกันเปลี่ยนเบื้องต้นละบ า, ลาปละอกุศลถ้ายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ก็เริ่มที่วันพระก่อนวันพระนี้จะไม่ฆ่าสัตว์แล้วถ้ายังรักทรัพย์ยังเอาข อ, ของของคนอื่นมาโดยที่เขาไม่อนุญาตอยู่วันพระก็งดทั้งวัน ถ้ายังไปประพฤตประผิดประเพณีไปร่วมเพศกับคนที่เขาไม่ใช่เป็นคู่ครองของเราไม่ใช่เป็นสามีภรรยาของเราวันพระก็หยุดสักวันแล้วก็ถ้าเรายังพูดปดโกหกหลอกลวงอยู่วันพระเราก็มาหยุดสักวันถ้าเราเดือมรุรนาเราก็มาหยุดเดือดราุาถ้าเราเล่นการพานันเราก็หยุดเล่นการพานัน ถ้าเราไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงตา่ตางๆเราก็หยุด<ม>ถ้าเราเกียรติค้านไม่ทำมาทำอะไรเราก็มาทําสิ่งที่มีคุณค่ามามาสร้างบุญสร้างกุศลกันมาละการกระทําบาปกัน<ม>อย่าอยู่เฉยๆอย่าปล่อยให้เวลาที่มีค่านี้ผ่านไปโดยที่ไม่ทําอะไรให้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจ ความเกลียดแค้นนี้ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะทําลายโอกาสอันดีที่จะให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ถ้าเราเกลียดแค้นแล้วเราจะไม่สามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ถึงแม้เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถึงแม้เราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเรามีความเกลียดแค้นไม่ทําหน้าที่ของชาวพุทธเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรม การมาเกิดเป็นมนุษย์การได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดนะนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามทำกันถ้าเรายังทำไม่ได้ก็ลองเริ่มต้นที่วันพระก่อนอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเอาวันอาทิตย์ละหนึ่งวันก่อนพอเราทำได้หนึ่งวันแล้วเราก็ลองขยับไปสองวันดูเพิ่มเป็นสองวันอาทิตย์ละสองวัน เพราะว่าพอเราทำได้แล้วมันจะง่ายง่ายขึ้นเวลาที่เรายังไม่เคยทำใหม่ๆมันจะรู้สึกยากก็เอาแค่วันหนึ่งก่อนแต่พอเราทำไปสักระยะหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกว่ามันง่ายก็เพิ่มเป็นสองวันแล้วเราจะเห็นคุณค่าของการไม่ทำบาปเห็นคุณค่าของการไม่ไปเสพ บ, บายย่ายมุกว่ามันทำจิตใจของเราให้สบายขึ้นเวลาทาบาปแล้วจิตใจเราจะไม่ค่อยสบาย เวลาเสบอบายยมุคนี้มันก็ทำให้จิตใจเราไม่สบายพอเราเลิกได้นี้เราจะรู้สึกสบายใจเบาอกเบาใจขึ้น mm hmm. เห็นคุณค่าของการละอบายละอบายามุกละการกระทำบาป <Yeah. S 1> มันก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะรักษาศีลหรือละบาปละอบายามุกให้มากขึ้นต่อไปเราก็จะสามารถทำได้ทุกวันเลยทได้ทั้งเจดวัน เพราะว่าเมื่อเราทำวันหนึ่งได้แล้วจะทำอีกวันหนึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรเมื่อทำสองวันได้มันก็จะทำสามวันสี่วันไปได้จนต่อไปมันก็จะทาได้ทุกวันนี่คือสิ่งที่เราต้องเพียรกันเพียรละบาปละ อ, อกุศลแล้วก็เพียรลกป้องกันไม่ให้บาป อ, อกุศลที่เราละแล้วกลับมาอีก ถ้าเราเลิกเล่นการพรนันแล้วถึงแม้จะมีใครมาชวนเราไปเล่นเราก็ต้องปฏิเสธไม่กลับไปเล่นอีกถ้าเราละการดื่มสุรายามเมาแล้วก็จะไม่ดื่มโดยเด็ดขาดยไม่ว่าจะเป็นเหตุผลกลันใดก็ตามทอย่าไปอย่าไปดื่มมันเพราะมาเพราะการดื่มมันแ ม, แม้แต่เพียงแค่ถ้วยเดียวแก้วเดียวมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นหลายแก้วได้ถ้าลอง ถ้าเราไม่ไม่ไม่คอยห้ามใจเอาไว้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปแตะมันเลยดีกว่าถ้าเลิกได้แล้วอย่ากลับไปหามันเพราะกลับไปหามันแล้วมันอาจจะถูกมันดูดกลับเข้าไปอีกก็ได้นี่คือเรื่องของความเพียรในในข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือให้เราละบาปละอกุศลที่เรายังทําอยู่ให้หยุดทํา บาปอกุศลเหล่านั้นไปแล้วถ้าเราละได้แล้วเราเลิกได้แล้วก็อยากกลับไปทําอีกถ้าเลิกฆ่าสัตว์ได้แล้วก็อยากกลับไปทําอีกเลิกรักทัพได้แล้วก็อยากกลับไปทําอีกเลิกประพฤติผิดประเพณีได้แล้วก็อยากกลับไปทําอีกเลิกพูดปดได้แล้วก็อยากกลับไปทําอีกเลิกดื่มสุรายาเมาได้แล้วก็อยากกลับไปดื่มอีกนี่คือ สิ่งที่เราต้องทํากั น, นที่เรียกว่าความเพียรชอบสองข้อแล้วก็มีอีกสองข้อก็คือข้ขอที่สามและข้อที่สี่คือให้เราพยายามสร้างบุญสร้างกุศลที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นมาบุญกุศลก็คือการทําความดีต่างๆเช่นการทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้ ด้วยการให้สิ่งของก็ได้ด้วยการให้อย่างอื่นก็ได้ให้เวลาเวลาก็ได้ทําอะไรที่ทําให้เกิดประโยชน์ให้กับคนอื่น <c oughs> เรียกว่าเป็นการทําบุญ <c oughs> ทำกุศลทําทานทานก็ให้วัตถุเข้าของเงินทอง <c oughs> ก็เรียกว่าวัตถุทาน <c oughs> ให้วิชาความรูก้ก็เรียกว่าวิทยาทาน <c oughs> ให้ อภัยก็เรียกว่าอาภัยทานให้ธรรมะก็เรียกว่าให้ธรรมทานแล้วก็ถ้าให้เวลาก็เสียสละเวลาเป็นจิตอส า, าอันนี้ก็ให้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น <S S S S <c oughs> ก็เป็นการทำบุญแล้วก็ยังสามารถแบ่งบุญที่เราได้นี้อุทิศให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วอีกก็ได้ <S S S <c oughs> เรียกว่าให้บุญ <c oughs> ทำบุญแล้วพอได้บุญก็สามารถแบ่งบุญที่เราได้นี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้โดยเฉพาะบุคคลที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราเคารพนับถือถ้าท่านจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังสามารถส่งบุญไปให้ท่านได้อยู่ส่วนท่านจะรับได้หรือไม่นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเราที่ต้องกงังวลถ้าเรามี บุญเราก็ควรจะแบ่งไปเพื่อว่าท่านต้องการบุญเรือขาดบุญท่านก็จะได้รับบุญที่เราส่งไปได้ น, นี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลในระดับทานคือทำความดีทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นเขามีความสุขช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ของผู้อื่นลงไปเรียกว่าเป็นการ สร้างบุญสร้างกุศลในระดับทานนอกจากระดับทานแล้วยังเรายัางสามารถสร้างบุญสุสร้างกุศลได้ในระดับภาวนาอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเรียกว่าจิตภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับของของพรหม ของพระ อ, อริยบุคคลของพระพุทธเจ้า<ม>ต้องเกิดจากการสร้างบุญสร้างกุศลคือการปฏิบัติจิตภาวนานี่ปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาก<ม>ารภาวนานี้แบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาคือการทําใจให้นิ่งให้สงบเรียกว่าสมาธิ ขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือการสอนให้ใจฉลาดสอนให้ใจเห็นเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธนั<ม>้ที่มันมีอยู่ในโลกนี้และที่มีอยู่ในใจเราอริยสัจสี่มันอยู่ในใจของสัตว์โลก ส่วนตายรักนี้มันอยู่ในในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เช่นลาบยศสรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายและสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์ทั้งหลายนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วมีดับถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอย่าไปแสวงหาอย่าไปอยากได้ อย่าไปอยากได้ในสิ่งที่จะต้องดับเพราะเวลามันดับมันจะทําให้เราเศร้าใจเสียใจเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักนั่นก็แสดงว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรารักนั้นมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงพอเวลามันดับเวลามันจากเราไปมันก็จะทาให้เราเศร้าโศกเสียใจอั น, นนี้คือสอนใจให้ฉลาด ให้ให้เห็นอริยสัจสิที่กำลังแสดงอยู่ในใจทุกเวลาใจทุกนี้ทุกเพราะอะไรทุกเพราะความอยากและเวลาใจจะหายทุกหายได้อย่างไรหายด้วยด้วยปัญญาหายด้วยปัญญาที่เห็นว่าสิ่งที่ใจไปอยากนะั้นมันเป็นมันเป็นตายลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นสิ่งที่อยากได้ว่าเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขอย่างที่คิด มันก็จะไม่ไปหามันก็จะหยุดความอยากเพราะหยุดความอยากทุกในใจก็จะหายไปอันนี้คือขั้นของวิปัสสนาคือสอนใจให้ฉลายให้รู้ให้รู้ว่าอริยสัจสี่คืออะไรอยู่ที่ไหนให้รู้ว่าไตรักคืออะไรอยู่อยู่ที่ไหนเพราะถ้าเรารู้แล้วเราจะได้สามารถที่จะกาจัดความทุกข์ที่มีในใจของเราให้หมดไปได้ ยุติความอยากที่พาให้เราไปเวียนว่ า, ายตายเกิดได้อย่างราบคาบแต่ก่อนที่เราจะไปขั้นวิปัสสนาได้เนี้เราต้องมีขั้นสมถะเป็นผู้สนับสนุนถ้าใจยังไม่สงบใจยังไม่นิ่งใจยังไม่มีอุเบกขาใจจะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสคือความอยากได้นั่นเองจึงต้องสร้างกำลังให้กับใจก่อน สร้างความสงบให้กับใจด้วยการจเจริญสมถาภาวนาสองอันนี้คือการสร้างบุญสร้างกุศลในระดับภาวนาเราต้องใ น, ในระดับภาวนานี้เราต้องสร้างแบบตลอดเวลาการปฏิบัติจิตภาวนานี่จำเป็นจะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะว่าข้าศึกศัตรูที่เราต้องการที่จะทำลาย กิเลสตัณหานี้มันทํางานตลอดเวลาถ้าเราไม่ทํางานตลอดเวลาไม่สู้กับกิเลสตัณหาตลอดเวลาเราก็จะไม่สามารถเอาชนะกิเลสตัณหาได้เราต้องสู้กับมันทุกเวลาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมานถ้าเราไม่สู้มันเราก็ปล่อยให้มันชกเราพอเตื่นขึ้นมากิเลสตัณหามันก็จะทํางาน ท, ทันทีวันนี้จะไปหาราบยศสารเสริญสุขที่ไหนดี ไปเที่ยวที่ไหนดีไปหาทรัพย์ที่ไหนดีไปหายศไปหาตําแหน่งที่ไหนดีมันกิเลสมันจะทํางานตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสกัดมันตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเราต้องหยุดมันการสกัดก็คือการหยุดความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดไปในทางการหาราภยศสารสรนสุสให้มันมาคิดให้มันหยุดคิดด้วยการใช้การเจ การการการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือให้มันผูกมันไว้กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไม่ว่าร่างกายจะทําอะไรก็ให้ใจผูกติดอยู่กับการทําของร่างกายร่างกายยืนก็ยืนไปกับร่างกายร่างกายเดินก็เดินไปกับร่างกายร่างกายทําอะไรอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ทําไปกับร่างกายาไม่ให้ใจไปที่อื่นไม่ให้ใจไป หาลากยศสรเสริญไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้อยู่กับร่างกายไปนี้ไม่ให้คิดถ้าสามารถผูกมันไว้อยู่กับร่างกายได้เลยผูกไว้อยู่ให้ติดกับอยู่อยู่ติดกับพุทโธได้ใจจะไปคิดตามความอยากตามความต้องการของกิเลสตัณหาไม่ได้เราก็จะสามารถสกัด การทำงานของกิเลสตัณหาได้ข้าศึกษัตรูของเราที่เราต้องทำลายก็คือกิเลสตัณหาเี่เพราะกิเลสตัณหานี่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราเป็นตัวที่พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องฆ่ากิเลสตัณหาการฆ่ากิเลสตัณหาก็คือการหยุดการทางานของมันไม่ให้มันทางาน เวลามันจะโลภเราก็หยุดมันด้วยสติหยุดมันด้วยปัญญาขั้นต้นก็ฝึกหยุดด้วยสติก่อนพอเราแลต่อไปเราถึงค่อยไปหยุดด้วยปัญญาสตินี้จะหยุดได้เป็นเป็นพักๆแต่จะไม่สามารถหยุดมันได้อย่างถาวรถ้าจะต้องการหยุดมันอย่างถาวร น, นี้ต้องหยุดด้วยปัญญาแต่ในเบื้องต้นเราต้องมาหยุดมันด้วยสติก่อน เพราะการใช้สตินี้มันง่ายกว่าการใช้ปัญญาและการจะใช้ปัญญาได้ก็ต้องอาศัยการมีสติหยุดความอยากไว้ชั่วคราวให้ได้ก่อนถ้าไม่เช่นนั้นความอยากกิเลสตัณหามันจะมีกำลังมากจะใช้ปัญญาหยุดมันนี้มันจะไม่หยุดมันหยุดมันไม่ได้ต้องใช้ยาสลบก่อนชินยาสลบให้กับกิเลสด้วยสติก่อนพอพอมีสติ เข้าสมาธิได้กิเลสก็หยุดทำงานเข้าเหมือนกับถูกฉีดยาสลบพอมันออกมาจากสมาธิกิเลสก็จะเหมือนเพิ่งออกมาจากจากการสลบถลัยมันก็ยังไม่มีเรี่ยวแรงตอนนั้นแหละที่เราจะต้องการเอาปัญญามาใช้เพื่อทำลายความอยากอย่างถ้าวรต่อไป mm hmm. อาการมีสติมีสมาธินี่เป็นเรื่องสำคัญมากมองข้ามไปไม่ได้ คนที่ไม่เคยปฏิบัตินี้มักจะคิดว่าสมาธิไม่สําคัญไปที่วิปัสสนาเลยพิจารณาตายล่างพิจารณาอริยสัจสีเลยแล้วก็จะสามารถ ก, กำจัดกิเลสตัณหาได้แต่มันกําจัดไม่ได้นเพราะว่าใจไม่มีไม่มีกำลังของสติไม่มีกําลังของอุเบกขาที่จะที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้ ปัญญาไม่ได้เป็นตัวหยุดนะปัญญาเป็นตัวบอกว่าทำไมเราต้องหยุดหยุดกิเลสเพราะกิเลสมันจะพาให้เราไปหาความทุกข์แต่ปัญญาเองหยุดหยุดไม่ได้ <artık. S 1> ถ้าเราไม่มีกําลังหยุดถึงแม้เราจะรู้ว่ากิเลสจะพาเราไปหาความทุกข์เราก็หยุดมันไม่ได้ก็ยังอดที่จะตามไปไม่ได้เวลามันชวนเราไปเที่ยวนะี่ปัญญาจะบอกว่าไปเที่ยวนี่เป็นการไปหาความทุกข์นะ พ้งมันจะหมดเงินหมดทองแล้วเดี๋ยวเวลาไม่มีเงินเวลาอยากจะไปเที่ยวอีกมันจะไปไม่ได้แล้วเวลานั้นมันจะทุกข์นะแต่มันก็ถ้าไม่มีสติไม่มีอุบเบกขาไม่มีสมาธิมันก็ทนอดไม่ได้ก็ตอนนี้ยังมีเงินอยู่ก็ไปเที่ยวก่อนว่าหมดแล้วก็ไปหาใหม่แต่มันจะหาได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้อีก แล้วร่างกายจะแข็งแรงเหมือนเหมือนเหมือนเดิมหรือไม่ก็ไม่รู้อีกวันนี้คืนนี้ร่างกายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการขึ้นมาก็ได้แล้วถ้ายังมีความอยากไปหายังอยากไปเที่ยวอยู่แล้วไปไม่ได้จะรู้สึกยังไงก็จะรู้สึกสุดทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้แหละคือปัญญาปัญญาจะบอกให้เรารู้ว่าถ้าไปทําตามความอยากไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องผิดหวังมันจะไม่ได้ตังใจอยาก แล้วพอมันไม่ได้ดังใจอยากแล้วมันจะต้องทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาไม่มีความสุขจากสมาธินี้เราก็จะทนไม่ได้ต่อความอยากมันอยากให้เราไปเที่ยวเราก็ต้องไปเที่ยวมันอยากให้เราไปหาราบยศสรรเสริญมาเราเราก็จะต้องไปตามความอยากนี่คือเรื่องของปัญญากับเรื่องของสมาธิ เรื่องของสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาการสร้างปัญญาต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปเบื้องต้นต้องทำสมถภาวนาก่อนและการจะทำสมถภาวนาได้ น, นี้ก็ต้องมีมีเครื่องมือสนับสนุนเครื่องมือที่จะสนับสนุนการทำสมถภาวนาก็คือการ การการระ ง, งับการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสด้วยด้วยการถือในคขมมะ ก, ก็คือการถือศีลแปลที่เราเรียกว่าบวชพราหมณ์บวชชีกันบวชเนอุบาสกอุบาสิกากันคืออุบาสกอุบาสิกาหรือญาติโยมที่ที่ถือศีลแปดเพราะว่าจาก ต้องการเอาเวลานี้มาให้กับการปฏิบัติสมถภาวนานั่นเองถ้าไม่ถือศีลแปนี้มันยังไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกวิ้นกายได้ยังไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ยังกินอาหารได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนยังดูหนังฟังเพลงยังแต่งเนื้อแต่งตัวแั่งหน้าทาปากทำเท้าทำผมไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ ยังหลับนอนบนเตียงบนฟูกหนาๆ น, นอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้ถ้าไม่ถ้าถือศีลแปดแล้วกิจกรรมเหล่า น, นี้ก็จะทำไม่ได้เมื่อไม่ทำกิจกรรมเหล่า น, นี้ก็จะมีเวลาว่างให้กับการปฏิบัติสมถภาวนาให้มีให้มีเวลาว่างกับการเจริญสตินั่งสมาธิ การจะเจริญสมถะภาวานานได้นี้จาเป็นจะต้องมีเวลาว่างแลวต้องไม่ไปทำงาน <und S 2> ทำการด้วยถ้ายังไปทำงานทำการอยู่นี่จะไม่มีเวลาไปภาวานาได้ต้องรอเวลาที่เราว่างเช่นวันหยุด ท, ทำงานวันเสราร์วันอาทิตย์หรือช่วงหยุดเทศกาลเช่นหยุดห้าวันอย่างนี้บางคนก็ฉลาดเป็นวินยูชนแทนที่จะเอาเวลาห้าวันไปเสพลูกเสียงกินรถ ก็เอาเวลาไปอยู่วัดกันไปอยู่วัดไปถือศีลแปดกันแล้วก็ไปเจริญสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมกันอันนี้แหละเป็นการเจริญเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นมาในความเพียรข้อที่สามยงสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆที่เรายังมีไม่มีให้เกิดขึ้นมาในเวลาในวันเวลาที่เรามีเวลาว่าง แล้วถ้าเราสามารถทําได้แล้วเราก็ต้องเพียรพยายามรักษาระดับการปฏิบัติของเราให้คงคงที่อย่าให้ลดน้อยถอยลงเช่น<ม>ทุกครั้งที่เรามีวันหยุดทํางานเราก็เข้าวัดกันไปปฏิบัติสมถามวิปัสสนาภาวนาไปทําบุญทําทานกัน<ม>ทุกครั้งมมไม่เอาเวลาให้กับการไปหาลาภหาราลาภยศเสริญสุข ไม่ให้เอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกิือกายอันนี้คือความเพียรข้อที่สให้รักษาบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วนี้ให้คงอยู่ต่อไปอย่าให้หมดไปพยายามทำอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเ น, นื่องแล้วทำให้มากขึ้นด้วยทำเพิ่มให้มากขึ้นจนกระทั่งต่อไปนี้ต่อไปอาจจะทำทุกวันทุกเวลาคือไปอยู่แบบนักบวชเลย ในเมื่อเราเห็นแล้วว่าชีวิตของเรานี้ในที่สุดก็ต้องตายไปจะหาเงินหาทองมามากมายก่ายกองทำไมตายไปก็เอาไปไม่ได้สู้เอาเวลาที่มีเหลืออยู่นี้มาให้กับการสร้างบุญสร้างกุศลโือการทำบุญทาทานหรือถ้าไม่มีเงินทองจะทำบุญทาทานก็ให้ใช้เวลากับการสร้างบุญกุศลในด้านของการเจริญสมถะภาวนา และวิปัสสนาภาวนาจะจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะจะได้ผลที่เราจะเอาติดตัวกับเราไปได้คือมรรคผลนิพพานในระดับต่างๆเป็นสิ่งที่ถ้าเราได้แล้วมันจะอยู่คู่กับใจของเราถ้าเราได้บรรลุขั้นโสดาบันแล้วเราก็จะมันก็จะอยู่กับเรามันจะไม่ทาให้เรากลับไปเป็นปุถุชนอีกต่อไป แล้วถ้าเราจากขั้นโสดาบันขึ้นสู่ขั้นสกิริาคามีได้เราก็จะไม่กลับลงมาเป็นโสดาบันถ้าเราได้ขั้นอนาคามีเราก็จะไม่กลับลงมาสู่ขั้นสกิิยาคามีถ้าเราได้ขั้นอรหันเราก็จะไม่กลับมาสู่ขั้นอนาคามีเเป็นทรัพย์ที่เป็นเป็นสมบัติที่จะเป็นสมบัติคู่ใจเราไปตลอด ไม่ว่าเราจะร่างกายจะเป็นหรือจะตายนี้ไม่มามีผลต่อมักผลนิพพานที่เราได้สร้างกันขึ้นมาแต่อย่างอื่นนี้มันมีผลเช่นราบยศสารเสริญสุกนทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เวลาที่ร่างกายตายไปนี้มันหายไปหมดเลยจากใจใจไม่สามารถเอาราบยศสารเสริญสุขไปกับใจได้เลยแม้แต่นิดเดียว เอาไปได้แต่ก็คือบุญกุศลหรืออกุศลถ้ายังทําอกุศลอยู่ทํายังทําบาปอยู่ก็จะมีอกุศลบาปพาไปพาให้ไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดในอบายถ้ามีบุญมีกุศลติดตัวอยู่มันก็จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดหรือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่ว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ครบร้อยหรือไม่ ถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลได้ครบร้อยเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าระดับใดที่เราได้แล้วเราจะไม่สูญเสียมันถ้าเราได้เป็นโสดาบันแล้วเราก็จะเป็นโสดาบันถ้าหนะ้าถ้าเกิดเราตายไปก่อนที่จะไปถึงนิพพานเกิดมีอุบัติเหตุเราตายไปการเป็นโสดาบันของเรานี้ก็ยังอยู่คู่กับใจของเราอยู่ พอกลับมาเกิดชาติหน้าเราก็ทำหน้าที่ต่อไปได้เราก็สามารถปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาขั้นต่อไปได้ขั้นเศิษราคาขั้นอนาคาและขั้นอาหารได้ตามลาดับต่อไปไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ไม่เหมือนกับทรัพย์สมบัติเช่นชาตินี้เราเป็นมห า, าเศรษฐีชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ไม่มีเงินบางทีกลับมาเกิดก็ยากจนก็ต้องมาเริ่มหาเงินใหม่ เงินที่เราหาได้ในชาติก่อนนี้เราไม่สามารถเอาติดตัวมาได้นอกจากว่าเราไ ป, ปไปแปลงมันให้เป็นบุญเท่านั้นเราถึงจะเอามาได้เช่นถ้าเกิดเราเป็นมหาเศรษฐีแล้วก่อนจะตายหรือระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ทยอยเบิจากทรัพย์สินของเราไปเรื่อยๆให้มันเหลือเกือบศูนย์พอเวลาเราตายไปนี้เราเอาทรัพย์สินที่แปลงเป็นบุญไปได้หมดเลย แล้วพอเรากลับมาเกิดชาติหน้าเนี่เราก็จะก็จะมีทรัพย์สินรอเราอยู่เราจะกลับมาร่ํารวยเหมือนเดิมและอาจจะร่ํารวยยิ่งกว่าเดิมเสียด้วยซ้ําไปเพราะอําอนาจของบุญที่เราได้ทําไว้มันทวีคูณมันมันทำให้มีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยดัยงนั้นถ้าเรายังมีทรัพย์สินมากมายกายกองที่เรายังไม่ต้องใช้ไม่ต้องเก็บเอาไว้ก็เอามาเปลี่ยนเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเอามาทําบุญทําทานให้มันเป็นบุญที่จะพา ที่เราเอาติดตัวไปได้ที่จะไปเลี้ยงเราในขณะที่เราเป็นดวงวิญญาณบุญที่เราทำนี้มันจะเป็นเหมือนกับอาหารเป็นเหมือนกับปัจจัยสีที่จะให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายในขณะที่เราอยู่ในโลกทิพย์ในขณะที่เราไม่มีร่างกายแล้วพอเวลาที่เรากลับมาเกิดได้ร่างกายเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นคนร่ำคนรวยอย่างพระเวชสันดร น, นี้ ท่านก็ทําบุญทําทานอย่างเต็มที่เลยพอตายไปท่านก็ไปสวรรค์ก่อนแล้วพอลงจากสวรรค์มาท่านก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนีเป็นลูกของมห์ของมาหากษัตริย์เนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมายมีประสาทสามฤ ด, ดูเป็นต้นอันนี้เราทําได้ถ้าเรามีทรัพย์สมบัติถ้าเราอยากจะเอาติดตัวเราไปเราอย่าไปเสียดายเอาไปทําบุญทําทานเลยไม่การทําบุญไม่เป็นการขาดทุนเป็นการกําไร เพราะสามารถเอาทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นี้เอาไปรอเราอยู่ข้างหน้าได้ในพบหน้าชาติหน้าแล้วก็เป็นทรัพย์ภายในที่จะทำให้เราได้ไปสวรรค์ในขณะที่ร่างกายนี้ตายไปอันนี้คือการสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเรายังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ mm. ก็บอยจากไปให้หมดแล้วก็จะได้ไปบวชได้ไปบวชแล้วเราก็จะได้สร้างบุญสร้างกุศลระดับ ระดับสมาธิและระดับปัญญาที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆให้เราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิฎรคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ตามลำดับอยู่ที่การปฏิบัติจิตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาด้วยและสนับสนุนด้วยการถือศีลบวชกันถือในยขมมะกันถือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไป นี่ก็คือเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเรายังไม่ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเราก็พยายามสร้างกันตั้งแต่บัดนี้แล้วบุญกุศลที่เราได้สร้างไว้แล้วก็ต้องพยายามรักษาไว้อย่าหยุดอย่าให้มันถดถอยพยายามรักษาอย่างน้อยอย่าให้มันหดถ้ายังก้าวเก้าวต่อไปไม่ได้ทำให้มันเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ก็อย่าทำให้มันน้อยลงต้องรักษาทรัพย์ที่เรามีอยู่อย่าให้มันลดน้อยถอยลงไป แล้วก็เพิ่มทรัพ์ให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสร้างบุญสร้างกุศลให้มันพเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนในที่สุดเราก็จะสามารถไปถึงพระนิพพานได้หยุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวยนว่าตายเกิดได้อย่างถาวรนโดยขึ้นจากการที่เรามีการทำความเพียรที่เรียกว่าสัมมาวายามโมความเพียรชอบเพียรละ บ, บาปอกุศลที่เรายังก็ทาอยู่แล้วก็เพียร ป้องกันบาปอากุศลที่เราได้ละแล้วอย่าอย่ากลับมาทำใหม่แล้วเพียรสร้างบุญสร้างกุศลที่เรายังไม่ได้ทำแล้วเพียรรักษาบุญรักกุศากุศลที่เราได้ทำแล้วอย่าให้มันหดหายไปถ้าเราทำความเพียรทั้งสี่ประการนี้ได้การหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความเพียรก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในกันในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาเลวาหาปุราปาริปุเรนติสครลงเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุ ป, ปกาปะติอิชิตังปะทิตังตุมังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปนะวาโสยธามะนิโชติอาราโสยธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโรโวินาสตุมาเตภะวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะ อะพิวาทานาสีลิกสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารุธรมมาวาทานติอายุวนโสคังภาลาังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่สะดวกที่สุด เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราเลอกแล้วมันจะต้องทาอะไรอย่างอื่นอีกจะไม่สะดวกนั้นมีอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ะจะถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง youtube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กระเียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รรบฟังธรรมณนาคุตจากทางเฟ e บ o o k พระอาจารย์สุชาติ 524ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์287 YouTube ดรวี77วิทยุออนไลน์8ครับเฮาส์13งากุด55รวมทั้งหมด964ท่านค่ะมีคำถามไหมค่ะค <c oughs> ำถามจากทางเฟ e บุ๊กค่ะการเดินจงกรมจำเป็นไหมต้องถอดรองเทา้ากับขอบคุณครับ ถอดก็ได้ไม่ถอยก็ได้ไม่มีข้อห้ามคําถามจากทาง youtube พระสุชาติค่ะโยมนั่งสมาธิกําหนดร่างกายเป็นโครงกระดูกแล้วบริกรรมกระดูกกระดูกกระดูกแบบนี้ถูกต้องไหมคะก็อยู่ที่ผลน่ยผลได้ผลไหมได้ผลก็ถูกต้องถ้ายังไม่ได้ผลก็ก็ต้องทําต่อไปพิสูจน์ดูว่ามันทําให้ใจสงบได้หรือไม่ หรือหยุดความคิดต่างๆได้หรือไม่มันน่าจะใช้ได้เพราะมันก็เหมือนกับพุโทโธนะเห็นแต่จะแทนที่จะใช้คำว่าพุโทโธเราก็ใช้คำว่ากระดูกแทนก็ได้ค่ะคำถามจากทางยูทู u ด็อกตอรวีค่ะ การรู้สึกอิ่มเอมจากการแผ่เมตตาโดยการให้สิ่งของกับทุกคนรอบข้างคือกุศลผลบุญใช่ไหมคะแต่บางครั้งก็รู้สึกกลัวว่าเขาจะไม่ต้องการควรจะวางใจอย่างไรคะก็ต้องดูการะเทศว่าเขาอยู่ในสภาพไหนพร้อมที่จะรับความเมตตาหรือไม่ถ้าเขาไม่พร้อมเราก็อุเบกขาไปก่อนเฉยๆไปก่อนบางทีเขาไม่สบายใจ เขาอาจจะโกรธเราอย่างนี้แล้วเราก็ไปทักทายเขาสวัสดีเขา mm hmm. เขาอาจจะหน้าเบื่อใส่เรา mm hmm. เราก็เฉยๆไปไม่ต้องทำอะไรไปล่อยให้เขาสบายใจก่อนแล้วเราก็ลองใหม่คำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะหนูโดนผีอ้ําบ่อยค่ะพระอาจารย์เป็นคนจิตอ่อนใช่ไหมคะ ต้องนะปฏิบัติยังไงให้จิตใจเข้มแข็งครัก็ฝึกสติให้มากขึ้นพยญญามันพุโทโธพุโทโธอยู่บ่อยขึ้นมันเกอาจากจากใ จ, ก จ, กจกเราผลิตขึ้นมาเองผีมันไม่มีหรอกเป็นอาการของใจพอเวลาที่ไม่มีสติมันก็จะแถงฤทธิ์ออกมาถ้าเรามีสติภอยคุมอยู่มันก็จะไม่แสดงอาการต่างๆออกมาให้มันมันจเจริญสติเช่นมันเจริญพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ แล้วาการผยามต่างๆนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่คำถามจากทาง facebook ค่ะการนั่งสมาธิเราควรกำหนดกำหนดจิตไว้จุดใดการนั่งแต่ละครั้งในระยะแรกๆนานกี่นาทีครับนั่งให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วถ้าเราสามารถกําหนดจิตที่ลมหายใจเข้าออกได้ก็ดูที่ลมหายใจเข้าออกดูที่ปลายจมูกลมเข้าลมออก ก็ดูตรงจุดเดียวอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกเพียงแต่ให้รู้ว่าตอนนี้ลมกําลังเข้าหรือกําลังออกอถ้าดูลมไม่ได้รู้สึกอึดอัดเรื่องรู้สึกว่าลมมันดูยากก็ให้ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธแทนก็ได้ไม่ต้องดูลมใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปหรือจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดอิติปิโสไปร้อยจบหรือ กี่จบก็ได้สวดไปจนกว่าใจรู้สึกเบาเย็นสบายแล้วลองมาดูหยุดแล้วก็ลองมาดูลมหายใจต่อก็ได้ค่ะคำถามจากทาง a c e b o o k ค่ะทำไมคนแค่เห็นหน้าเราแล้วเกลียดทั้งที่เราไม่เคยทำอะไรให้เขาเ <c oughs> พราะสาเหตุใดและควรทำอย่างไรคะก <c oughs> ็เป็นเรื่องปกติของใจของเราทุกคนเวลาเราเห็นอะไรบางทีก็มันมีความรู้สึกเสียสามอย่าง บางทีเห็นแล้วก็ชอบบางเห็นบางทีเห็นแล้วก็ไม่ชอบบางทีเห็นแล้วก็เฉยเฉยก็มันเรื่องปกติ <c oughs> เป็นเพราะอดีตเคยชอบอะไรมามันก็จะชอบสิ่งนั้น <c oughs> เวลามันไม่ชอบสิ่งใดมันก็จะไม่ชอบ <c oughs> มันเป็นนิสัยที่ปลูกฝังมาในใจของพวกเราในแต่ละภพแต่ละชาติแต่เราสามารถใช้ธรรมะมาแก้ได้ <c oughs> ใช้สติทำใจเฉยเฉย อย่าไปชอบหรือไม่ชอบได้ถ้าเราฝึกสติบ่อยๆใจเราจะเป็นอุเบกขาเราจะไม่รักไม่ชังไม่ชอบไม่ไม่อะไรต่างๆเฉยๆรู้รู้แล้วก็เฉยๆไปเพราะฉะนั้นเวลาใครก็ชอบเราไม่ชอบเราอย่าไปอย่าไปถือสามันเป็นเรื่องใจของเขามันไม่ได้อยู่ที่เราหรอกมันได้อยู่เพราะเขาไม่ชอบเราเราทาแสดงว่าเราไม่ดีก็ไม่ใช่หรอกหรือว่าถ้าเขาชอบเราเราแสดงว่าเราดีมันก็ไม่ใช่ มันเปนแต่เป็นสิ่งที่เขาชอบขึ้นมามันก็ชอบสีแดงชอบสีเขียวอย่างนี้ไม่ชอบสีขาวไม่ชอบสีเหลืองอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของความชอบความชังที่มีในตัวเขาเองมันไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่เขาชอบดีหรือสิ่งที่เ็าชังไม่ดีแต่อย่างใดคำถามสักท่านเดิมที่ถามเรื่องเดินจงกรมนะคะเขาถามเพิ่มขึ้นมาว่าการเดินจงกรมถอดรองเท้าดีกว่าไม่ถอดหรือเปล่าครับ อลองทำดูสิของนี้มันทดลองได้แล้วแต่แล้วแต่ความพอใจอย่างที่บอกไม่มีข้อห้ามค่ะคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะเมื่อวานโยมพายาตผู้ใหญ่ไปโรงพยาบาลขณะรอคุณหมอมาตรวจได้พิจารณาคนป่วยที่นอนบนเตียงรอคุณหมอคุณยายก็ส่วนคุณยายก็ดูซีซดๆเลยเนาะ ดูแล้วน้อมเข้าใส่ตัวเองพอเราแกชา่ชราเราก็จะเป็นอย่างนี้แน่นอนการแต่งงานมีครอบครัวก็มีแต่ภาระไม่ได้ช่วยอะไรตอนเจ็บป่วยยมเห็นแต่ความทุกข์เพราะการเกิดจึงทําให้เรามีความทุกข์ยมเข็ดขยาดกับความทุกข์แล้วค่ะมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะใช่พยายามน้อมเวลาเราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วน้อมเข้ามาที่ตัวเราตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันตัวเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เมือนกับพระมุทธเจ้าที่ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพระพุทธเจ้าก็น้อมกลับเข้ามาที่ตัวท่านเมื่อท่านรู้ว่าท่านต้องเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยไม่มีความสุขต่อการหาหาความสุขจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆท่านก็เลยเปลี่ยนวิธีไปเป็นนักบวชไปหาความสุขแบบนักบวชเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาพึ่งความสุขจากลาภยศนั่นเิญ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะการตัดสินใจทิ้งพ่อแม่ที่แก่ชราและลูกเมียออกไปปฏิบัติธรรมออกไปปฏิบัติธรรมในรูปแบบคารวาสจะถือว่าเป็นคนอกตันยูและเป็นคนไม่รับผิดชอบแบบนี้จะบาปไหมครับคือมันอยู่ที่ว่าเขาเราต้องดูแลเขาหรือไม่ถ้าเขายังดูแลตัวเขายังอยู่ได้เราก็ไปได้ แต่เวลาใดที่เขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องกลับมาดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะก็ดูแลได้พระพุทธเจ้าอนุ ญ, ญาตให้พระดูแลพ่อแม่ได้อาหารบินบาบัดนี่เอามาเลี้ยงพ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายถึงว่าไปบวชแล้วจะทิ้งแบบไม่มีเยื่อใยรือไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าถ้ายังไม่มีความจําเป็นจะต้องช่วยเหลือกันไม่ต้องทําอะไรก็ยังไม่ต้องมามแต่ถ้าเกิดเขาเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือจากเราเราช่วยเหลืออะไรได้เราก็ต้องเราก็ต้องทําตามหน้าที่ของของลูกแล้วของลูกต่อบิดามดารดาคําถามจากทาง facebook ค, ค่ะการทําหมันหมาแมวจรจัดบาปไหมคะจะตกนรกไหมคะไม่บาปไม่บาปไม่ได้เป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแตอย่างใดเป็นเพียงแต่ป้องกันไม่ให้เขาตั้งครั น, นั้าเอง คำถามจากทาง youtube ดกรวีค่ะถามเรื่องที่เคยได้ฟังเรื่องเล่ามาว่าพระอาจารย์เคยออกทุดงแล้วเจอกับงูจงอางจึงใช้กระแสจิตสื่อสารกับงูจงอางไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเออเรื่องเล่าเท่านั้นคะเราไม่ได้ทุดงที่ข้างนอกวัดแล่อยู่ในวัดแต่เข้าไปอยู่ในป่าในแค่แล้วพอดีวันหนึ่งเราก็นั่งสมาธิอยู่ที่แค่ ข, ข้างทางชงกลม พอดีเห็นเห็นคอกคางคกมันมันมันกระโดดมาทุบทุบทุบุบเราก็ดูแล้วพอมองไปพี่หนึ่งก็เห็นงูงูเห่ามันเดินมันตามมามันตามมาหามันจะกินคางคกพอมันมาถึงใกล้ตัวคางคกเราก็เลยพูดไปว่าเฮ้ยอย่าทํากันนะเขาก็รักชีวิตของเขาพอมันได้ยินเสียงน้ามันก็มันก็หยุดแล้วมันก็มองมองหน้าเรา มองหน้าเราว่าพูดอะไรมันไม่เข้าใจความหมายแล้วบอกว่าอย่าไปทําร้ายกันให้มีเมตตาต่อกันชีวิตเขาชีวิตเราก็มีคุณค่าเท่ากันแต่มันก็ยังดูด้านมันจะพยายามเลื้อยเข้าไปมันก็เริ่มที่จะอ้าปากไปไปไปกินตัวคางคกตอนนั้นพอดีเรามีมีอะไรอยู่มั้ยเราก็เลยจับอะไรของที่มีอยู่เพี้ยงใส่มันไป พอเพียงสายมันไปมันก็เลยแยกทางมันมันก็มันก็เลยทางหนีไปไอ้างโค้งนั้นมันก็มันก็เน่งสันอยู่สักพักหนึ่งจนพอไม่ได้สติกลับมามันก็เลยกระโดดไปต่อไป <c oughs> คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ พ่อแม่เปรียบเหมือนพ่ะ อ, อรหันห์ผู้เป็นลูกสามารถคิดแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะเพราะร่างกายไม่ใช่ของลูกผู้ผลิตคือบิดามารดาหนูคิดถูกไหมคะถูกต้องพระคุณของพ่อแม่นี้มหาศาลลองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าให้เราหลุดพ้นทางใจพ่อแม่ให้เราหลุดพ้นทางกายเลี้ยงดูร่างกายเราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายฉั้นมีพระคุณอย่างมากที่เราไม่ควรที่จะลืมเป็นอันขาด มีโอกาสที่จะทดแทนบุญคุณให้กับท่านได้มากน้อยเท่าไหร่ควรจะทํากันพระเจ้าบอกว่าพระคุณของพ่อแม่นี้ต่อให้เราแบกหามท่านไว้บนบาบนไหลเลี้ยงท่านอย่างดีให้ท่านอุจจละปัสสวะใส่ตัวเรานี้ไปจนวันตายพระคุณของท่านก็ยังไม่หมดจะทําให้พระคุณของท่านหมดได้ก็ต้องทําให้ท่านพ้นอบายให้ได้คือให้ท่านบรรลุเป็นพระสุดาบัรอย่างพระพุทธเจ้าสอนพุทธมารดาให้บรรลุเป็นพระสุดาบัร สอนให้พระราดบิดา พ, พุทธบิดาได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์อันนี้หละเป็นวิธีการที่จะสามารถทดแทนบุญคุณของท่านได้อ ย, อย่างหมดสิ้นไปต้องทำให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้คําคถามสางคุณธัญาพาัฒนค่ะเวลาเดินจงกรมต้องบริกรรมไหม้าหรือวางจิตไว้ที่ไหนคะ <S 1> <S 1> ก็ต้องบริกรรมฤดูเท้าเนะ่เพื่อที่จะได้ไม่ปล่อยให้ใจคิด แต่ถ้าใจไม่คิดจริงๆไม่คิดปรุงแต่งอะไรเลยไม่ต้องบริกรรมก็ไดใ้ให้รู้เฉยๆให้รู้ท้าว่ากําลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไปการเดินจงกรมเพื่อหยุดความคิดแล้วก็เพื่อเป็นการผ่อนอิเดผ่อนคลายระยะบุตรเวลานั่งสมาธินานๆมันก็เจ็บเมื่อยได้ก็เปลี่ยนริยาบุตเป็นการเดินแต่เราก็ทําสมาธิต่อด้วยการเราก็เจริญสติต่อด้วยการบริกรรมพุโทโธ ถ้าใจคิดถ้าใจไม่คิดก็ดูทีท่เท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปคำถามสักท่านเดิมค่ะไปปฏิบัติธรรมมาสามวันหลังจากออกมาหลังจากออกมาหนึ่งวันเห็นแม่ที่เสียฝันเห็นแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วปกติลราอุทิศบุญกุศลให้คุณแม่ตลอดกลัวท่านไม่ได้รับค่ะขอให้หลวงพ่อแนะนำค่ ะ, ะความฝันนี้ไม่ได้มาเข้ามาท่านมาขอบุญอะไรอย่างไรนะ น่าจะคิดถึงท่านแล้วก็ฝันถึงท่านไปท่านเองเราทำบุญแล้วก็อัทิศไปส่วนท่านจะรับไม่รับนี้เรวก็แล้วลแต่ฐานะของท่านถ้าท่านมีบุญมากท่านก็ไม่ต้องรับถ้าท่านไม่มีบุญท่านก็จะรับไปคำถามจากหนาก้ากรุษค่ะเราจะมีวิธีจัดการกับจิตมารที่ชอบแวะเวียนมาในจิตอย่างไรเจ้าคะใช้สติไงหยุดมันใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันเวลาคิดอะไรไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธไป ทั้งจริงต้องพูดโทรใทั้งในขณะที่ที่คิดเรื่องต่างๆไม่ว่าจะดีไม่ดีก็อย่าปล่อยให้มันคิดถ้าเรามีพุโทโธแล้วต่อไปเวลาเกิดที่เราช่วงไหนที่เราไม่ได้พุโทโธแล้วมันเกิดคิดอะไรขึ้นมาไม่ดีเราก็ใช้พุโทโธหยุดมันได้การระงับความโกรธจิตโกรธเร็วมีวิธีแก้อย่างไรครับก็ต้องมีสตินะีถ้าไม่สติมันก็จะทําให้โกรธ พอมันจะโกรธเราสติถ้าเรามีสติเราจะรู้ก่อนพอมันมันจะเริ่มโกรธเราก็จะสามารถใช้สติหยุดมันได้แล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้เราโกรธน้อยลงก็คือเราต้องลดความอยากของเราให้น้อยลงเพราะความโกรธมันเกิดจากความอยากของเราเวลาเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธขึ้นมาค่ะทำไมถึงชอบปฏิบัติธรรมที่บ้านมากกว่าที่วัดเจ้าคะ่ะคุณต้องถามตัวคุณเองเลย มาถามเราได้ไง <S <S อาจจะสบายกว่ามันอยู่ที่บ้านมันมีทุกอย่างพร้อมบูบรณาบูรณาก็เลยยังติดสุขอยู่อาจจะปฏิบัติให้มันได้ผลดีต้องตัดความติดในความสุขเพราะมันเป็นอุปสรรคในการทําใจให้เราสงบให้เข้าฌานแต่เข้าฌานได้ต้องตัดการมาสุขหรือถ้ายังติดการกินการดื่มการดูการฟังการนอนอย่างสบายอะไรอย่างนี้อยู่ มมมมััมมมมนจจจะะไไ่่่่ีีกงงทดดึใให้้้เขาาสสูคำถามจากทางเฟ e บ o o k ค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราบรรลุ ถ, ถึงขั้นโสดาบันครับเราไม่กลัวตายเราไม่กลัวเจ็บเราไม่กลัวโรคมะเร็งเราไม่กลัวโรคปอดโรคหัวใจโรคความดันโรคอะไรจะเป็นจะตายเราไม่กลัวเราอยู่กับมันได้อย่างสบาย ถามจากทางยู u b e พระสุชาติค่ะถ้ายัางต้องใช้ชีวิตในทางโลกทำงานเลี้ยงแม่ไม่สามารถบวชตลอดชีวิตได้ต้องทำอย่างไรให้สามารถบรรลุพระโสดาบันในชาตินี้ได้ขอบคุณค่ะกรื่รนะ่างกายนี้ไงใช้ปัญญาสอนใจรนะ่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอย่าไปทุกข์กับมัน มันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเท่านั้นเองคำถามจากทางยูทู e พระสุชาติค่ะขอเรียนถามว่าเมื่อเรานอนหลับจิตอยู่ในโลกทิพย์แต่การขยับตัวขณะหลับเป็นผลจากร่างกายโดยอัตโนมัติหรือจิตส่งกระแสมาสั่งกายคะ มันก็เหมือนร่างกายเวลามันหัวใจมันเต้นอ่ะมันเราไม่ได้สั่งการมันเป็นเรื่องเรื่องอัตโนมัติของร่างกายอวัยวะต่างๆมันก็ทำงานของมันไปตามตามหน้าที่ของมันเวลามันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันก็สั่งให้ร่างกายขยับแต่จิตไม่ได้ไปสั่งมันก็ได้คําถามสักทางนะกูดค่ะ การดูลมหายใจต้องตั้งจิตจุดจ่อที่ปลายจมูกแต่ถ้าบริกรรมพุทโธจิตจะต้องตั้งไว้ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่คําบริกรรมนี่รู้ว่าเรากำลังอยู่กับคําบริกรรมอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปเขามีวงเล็บมาว่าฐานของจิตนะคะอันนี้หนูไม่ชอบคือเขาบอกว่าจิตจะต้องตั้งไว้ที่ไหนคะแล้วก็วงเล็บฐานจิตนะคะนั่นะก็ตั้งไว้ที่คําบริกรรมไง ถ้าดูลมก็ตั้งหยุดตั้งไว้ที่ลมแล้วพอสงบมันก็จะไปอยู่ที่ความสงบเป็นฐานของจิตต่อไปถ้าเรายังไม่ถึงฐานของจิตเราก็ต้องอาศัยลมหรืออาศัยพุโทโธเป็นที่เป็นฐานไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะโอเคไม่มีก็พอสมควรแกเร่เวลาขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัต เพื่อความุบความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเธอ